ธรรมบทแปลเรื่องที่67เรื่องภิกษุ500รลูกภาคที่สเรื่องที่8ของวรที่6ปันดิตะวรวันานาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบภิกษุ500รอูปตรัสพระธรรมเทศานานิว่าสัปปัฏะเวสัพบริสาวจันติเป็นต้น รัฐามเทศนาตั้งขึ้นที่เมืองเวรัญชาความพิสดารว่าครั้งปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเสด็จไปเมืองเวรัญชาอันพรามชื่อเวรัญชะทวนิมนต์แล้วจึงเสด็จจำพรรษาพร้อมด้วยภิกษุห0 0รูปเวรัญชะพรามถูกมารโดนใจไม่ให้เกิดสติปรารบถึงพระศาสดาแม้สักวันหนึ่งแม้เมืองเวรัญชา ได้เป็นเมืองข้าวแพงแล้วพวกภิกษุเที่ยวไปบินทบาตตลอดเมืองเวรัญชาทั้งภายในภายนอกเมื่อไม่ได้บินทบาตจึงลําบากมากพวกปอก้าม้าจัดแจงภิกษามีข้าวแดงราวแล้งหนึ่งแล้งหนึ่งเพื่อภิกษุเหล่านั้นพระมหาโมคลานะเถียระเห็นภิกษุเหล่านั้นลําบากได้มีความประสงค์จะให้ภิกษุฉันงวดดิน และประสงค์จะให้พวกภิกษุเข้าไปสู่อุตต ร, รักุรุทวีปเพื่อบิณฑบาตพระศาสดาได้ทรงห้ามท่านเสียแม้ในวันหนึ่งพวกภิกษุไม่ได้มีความสะดุ้งเพราะปราลบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายเว้นความประพฤติด้วยอำนาจความอยากแลอยู่แล้วพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นสิ้นไตรมาสแล้วทรงอําราเวรัญชพรามมีสักการะ สัมมาณะอันพรามนั้นกระทำแล้วทรงให้เขาตั้งอยู่ในสรณะแล้วสเสด็จออกจากเมืองเวรัญชานั้นสเสด็จจาริกไปโดยลำดับสมัยหนึ่งสเสด็จถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันชาวกรุงสาวัตถีกระทาอาคันตุกะพัดแด่พระสศาัศาสดาแล้วก็ในการนั้นพวกกินเดมประมาณห0 0ร้คน อาศัยพวกภิกษุอยู่ภายในวิหารนั่นเองพวกเขากินโภชนะอันประณีตที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วก็นอนหลับลุกขึ้นแล้วไปสู่ฝั่งแม่น้ําแผดเสียงห吼ร้องกระโดดโลดเต้นซ้อมมวยปล้าเล่นกันอยู่ประพฤติแต่อนาจารเท่านั้นทั้งภายในวิหารทั้งภายนอกวิหารพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าดูเถิด ภูมีอายุทั้งหลายในเวลาเกิดทุดพิฆภัยพวกกินเดนเหล่านี้ไม่ได้แสดงวิการอะไรอะไรในเมืองเวรัญชาแต่บัดนี้กินโภชนะอันประณีเห็นป่านนี้แล้วเที่ยวแสดงอาการแปลกๆปเป็นอนเนกประการส่วนพวกฟิกษุสงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชาถึงในบัดนี้ก็พากันอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเหมือนกัน พระศาสดาเสด็จไปสู่โรงธรรมแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าแม้ในการก่อนคนกินเดนเหล่านี้เกิดในกำเนิดลาเป็นลาห้าร้อได้ดื่มน้ำมีรถน้อยอันเลวซึ่งถือการนับว่าน้ำหาง เพราะความที่เขาเอาน้ำขยำกากอันเป็นเดนซึ่งเหลือจากน้ำลูกจันมีรสชุ่มที่ม้าสินทบชาติอาชาในห้าร้อยดื่มแล้วจึงกรองด้วยผ้าเปลือกปอเก่าๆเป็นเหมือนเมาน้ำหวานเที่ยวร้องเอ็ดอึงอยู่เมื่อจะทรงแสดงกิริยาของลาเหล่านั้นอันพระโพธิสัตว์ผู้อันพระราชาทรงสดับเสียงของลาเหล่านั้นตรัสถามแล้ว ได้กราบทูลแด่พระราชาตรัสวาโลดกชาดกนี้โดยพิสดารว่าวาโลดกังอัปปะรัสั้งนิหีนังปิตตวามโดจายติคัตถะพานังอิมันจะปิตตวานะระสรั้งปณีตังมโดอนัซั่นจายติสิ้นทวานังอัปปัมปิวิตวานะนิหีนัชัตโจ โซมัจตีเตนะชนินดพุทโทโทเรหาสิโลจะกุลัมหิชาโตนมัจติอักคารสั่งปิวิตวาติความเมาย่อมบังเกิดแก่พวกลาพระดื่มกินน้ำหางมีรถน้อยอันเลวแต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่มาสินทบพระดื่มรถที่ประนีตนั้น ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมนรชนหลานั้นเป็นสัตว์มีชาติเลวดื่มน้ามีรถน้อยอันรถนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาส่วนม้าอาชาในผู้เอาธุระเสมอเกิดในตระกูลที่ดีดื่มรถที่เลิศแล้วหาเมาไมแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บรุษเว้นธรรมคือความโลภแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีวิกาลเลยทั้งในเวลาถึงสุขทั้งในเวลาถึงทุกข์อย่างนี้เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าสัป บ, บัตเถเวสับปุริซาวจันติณนะกามกามาละปะันติสันโตสุเขณพุท ธ, ธาอธาัทวาดดเคณนะนะอุจจาวจังปันฑิตาดัสยันตีติ สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแลสัตบุรุษทั้งหลายหาใช่ผู้ปรารถนาการบนไม่บัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพะได้แก่ในธรรมทั้งหมดต่างโดยธรรมมีขันห้าเป็นต้นบุรุษดีชื่อว่า สัพุริสาบทว่าวัจันติความว่าสัต บ, บุรุษเมื่อคร่าฉันทะราคะออกด้วยอรหัตมักคยานชื่อว่าย่อมเว้นฉันทะราคะบทว่าณกามกามาได้แก่ผู้ใคร่กามอีกอย่างหนึ่งได้แก่เพราะเหตุแห่งกามคือเพราะกามเป็นเหตุสองบทว่าละปยันติสั้นโต ความว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่บ่นเพ้อด้วยตนเองเลยไม่ยังผู้อื่นให้บ่นเพอ้อเพราะเหตุแห่งกรมจริงอยู่ภิกษุเหล่าใดเข้าไปเพื่อพิกษาตั้งอยู่ในอิจฉาจาร์กล่าวคำเป็นต้นว่าอุบาสกบุตรภรยาของท่านยังสุขสบายดยีหรืออุปัตถวอะไร โดยสา ม, มารถแห่งราชภัยและโจรภัยเป็นต้นมิได้มีในสัตว์สองเท้าและสีเท้าดอกหรือทิกส่วนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบ่นเพอ้อเองก็ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วพูดให้เขานิมนต์ตนว่าอย่างนั้นขอรับพวกผมทุกคนมีความสุขดีอุปัตถวะอะไ ร, ไ, รไม่ได้มีบัดนี้เรือนของพวกผมมีข้าวน้ําเหลือเฟือ นิมนต์ท่านอยู่ในที่นี้แหละดังนี้ชื่อว่าให้บุคคลอื่นบ่นเพอส่วนสัตว์บรุษทั้งหลายยอมไม่ทำการบ่นเพอแม้ทั้งสองอย่างนี้คําว่าสุเคณนะปุท่าอทวาดุเคณนะนี้สักว่าเป็นเทสนาอธิบายว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้อันโลกธรรมแปดถูกต้องแล้วยอมไม่แสดงอาการขึ้นลง ด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้ยินดีและความเป็นผู้เก้อเขินหรือด้วยสามารถแห่งการกล่าวคุณและกล่าวโทษในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุห0 0รรูป